ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสองตอนผ่านไปก็ยังเข้าเรื่องในหนังสือห้วงพ่อปานไม่ได้ตอนนี้ก็คิดว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทนั่งฟังคุณบ้าพูดกนแล้วกันตั้งนี้เพรา อ, อะไรพว่ามันนึกอยากจะบ้ามานานแล้ว เพราะว่าทาตนเป็นคนดีมานานแต่ก็ถูกลุกรานจากพวกอารัชีอยู่เสมอไปอ่านในวีนันดูพวกอรัชีเขาไม่ไสนใจในพระวีนันอ่านในพระราชบัญญัติ ด, ดูรัชบัญญัติปกครองคณาสงฆ์พวกอารัชีก็ไม่สนใจในพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ ไปอ่านสังขานัตสังขานัตอรัชีเขก็ไม่สนใจไปอ่านหนังสือในกฎมหาเทระสมาคมผู้อรัชีก็ไม่สนใจในเมื่ออรัชชีไม่สนใจกับความดีอาตมาก็ต้องไม่เคารพอรัชีเหมือนกันตอนนี้ก็ต้องตั้งฐานทัพจะต้องรบกับอรัชี ความจริงตั้งฐานทัพมานานอดใจมานานจนทั้งถึงปีพศ .2520 นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็คิดว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าอารัชีลุกรานเมื่รไรเราจะทำลายอารัชีให้พินาศไปด้วยกรณีทั้งปวงเท่าที่จะพึงทำได้และก็ต้องทำได้ด้วย ไม่เจทำไม่ได้มีแผนการสาหรับทำลายล้างอรารัชีอยู่แล้วขออย่างเดียวให้อรารัชียื่นมาเข้ามาเกี่ยวข้องยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาลุกรานใหม่เมื่อไรเมื่อ น, นั้นอรารัชีจะเห็นว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ายังมีอยู่ และก็บุคคลที่มีการแบียับแรดคองาศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมครูพร้อมที่จะต่อสู้กับพวกเล ว, เลวประเภทนี้ถ้าญาติโยมถามว่าพวกไหนเลวโยมก็ดูได้ที่อ่านวินัยแต่เขาไม่เคารพในวินัยผู้นั้นก็เลวอ่านในพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ ถ้าบผู้ใดไม่เคารพในพระราชบับญญัติปกคร อ, นองนั้สงคนนั้นคนเลวอาในสังขานัดใครไม่เคารพสังขานัดคนนั้นคนเลวอาในกฎมหาเทรสมาคมใครไม่เคารบในกฎมหาเทระสมาคมกนเลวพระพุทธเจ้าบอกว่าบวชเข้ามาแล้วจนตัดโลกกระทำทิ้งไปถ้าท่านผู้ใดยังติดอยู่ในโลกธรรมคนนั้นคนเลว เป็ น, นั้นวุ瓦ได้อิบริการหน่งการบวชเข้ามาในขั้นต้นต้องทรงศีลบริสุทธิ์ทรงสมาธิทรงปรัญญาที่เรียกกันว่าศีลสิกขาเจตสิกขาปัญญาสิกขาถ้าแพระองค์ใดไม่เคารพในศีลสิกขาไม่มีสมาธิไม่ทรงปรัญญาคนนั้นก็เลวไม่ควรใส่บาตรการบวชเข้ามาในศาสนาเขาองค์สมเด็จพระบรมโลกก็น่ายเขาบวชเพื่อพระนิพพาน ตามที่ภาษาที่บททรงสอนพระว่าท่านนัหลายถ้าใครก็ถามว่าบทเพื่อประสงค์อะไรต้องตอบว่าบทเพื่อความดับไม่มีเชื้อเชื้อที่มันจะมีหนึ่งราคะความรักในระหว่างเพศสองโทสะความโกรธแล้ว ส, สามโมหะเอโลภความโลภสี่โมหะความหลง กามเจโลภะกับราคะท่านจัดเป็นตัวเดียวกันถ้าเพืพูดเพื่อบันดาถ้าพุทบริษัททุกท่านมีความเข้าใจยังแยกออกมาว่าราคะความรักในระหว่างเพศก็ดีความอยากร่ำรวยก็ดีถ้สาสะสมเงินเพื่อความร่ำรวยก็ดีจะถือว่าโยมถวายมานี่ฉันก็รับรับแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรไต้องเก็บไว้ออย่างนี้ไม่เปใช่หรือไาง ทางทร ม, มีถมไปกินเองใช้เองไม่หมดตามสมณวิสัยก็สงเคราะห์พระที่ยากจนเ้อซำเป็นส่วนสาธารณประโยชน์บำรุงพระศาสนาสงเคราะห์คนยากจนเข็นใจทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็เอามาให้ให้ตมาไปบอกเขาเรื่องโยมนะพระองค์ไหนเขาใช้เงินไม่เป็นบอกใหตมาแตมาจะแนะนำวิธีใช้ให้ แล้วก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับสาธารณประโยชน์ไม่ใช่เป็นประโยชน์ส่วนตัวนี่มันต้องเป็นอย่างนี้ทับพระองคไหนที่ติดอยู่ในโลกธรรมติดลาบติดยศติดเสญติดสุขใช้ไม่ได้ไม่ใช่พระก็เป็นชาวโลกธรรมดาลเร็วกว่ชาชาวบานอีกรวมความว่านิพพานะสะสักิกริยายะเอตังกาส า, าวาังเกจดวะ การรับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งเสิยงพนิพานถ้าพระองค์ไหนไม่มีความเข้าใจในศีลสมาธิปัญญาอาตามาคิดว่าเลิกใส่บา่ายกันเสียทีก็ได้เพราะพระพวกนั้นเลวกว่าครว่าที่เราได้ทิพยิยกุยานได้มโนยิทธิเยอะเวลานี้ที่ทันดีนั้นหลายสิบสำนักท่านสอนกัน และก็คพีงแค่พอศ .2522 มีคนได้เป็นแสนคนแต่และสำนักสำนักการสอนคนได้ไปแล้วเป็นหมื่นนับๆเป็นปจํานวนหมื่นๆ น, นี่เป็นอย่างนี้ถ้าไม่นั่งพูดนี่ฟังข่าวหลายๆสำนักตลีลายการสอนย่อมจะไม่เหมือนกันแต่จุดประสงค์ไม่อันเดียวกันนั่นคือทรงจิตเป็นสมาธิชําระนิวรห้า แล้วก็ตัดขันห้าในเมื่อทำได้อย่างนี้ท่านคนดีมีอารมณ์แจ่มใสมีใจเป็นทิพย์เนี่ยความจริงคนประเภทนี้นะระที่ไม่เอาไหนน่าจะไหวคนประเภทนี้มากกว่าดีกว่าไปห่มผ้ากาสาวพัดเพื่อนหลอกลวงว่าตนเองเป็นผู้มีความมั่นคงในภาษศาสนา ตอนนี้ก็มาคุยกันเราเล่มนี้ก็รู้แล้วว่านังสือพระปานเป็นหนังสือเสี่ยงแต่นี้ไม่เสี่ยงเอาจริงๆถ้าโผล่หน้าเข้ามาแบบอันดับพานแล้วก็จะไม่ไว้หน้าทันทีเพราะผู้อาละชีนี่ทาลายทั้งชาติทาลายทั้งศาสนาทาลายทั้งกระดิ่กำลังจิตใจของประชาชนทาลายทรัพย์ ส, สินของบุคคลมันเป็นโจรที่ไม่ควรจะให้การปรานีเลย เรามาคุยกันถึงตอนวันที่มันจะตายตอนนั้นก็ปลายกดกระไรกายมันจะเป็นยังไงก็ไม่ได้สนใจคนจะมากมายังไงก็ไม่เห็นแต่จะถามว่าถ้าอารมณ์ใจเป็นทิพย์ประทำไมถึงไม่เห็นล่ะกต็ตั้งแต่ว่าอารมณ์ใจมันเป็นทิพยหรือไม่เป็นทิพก็ไม่รู้เจ้าของเองเขายังไม่รู้แล้วคนอื่นจะมาเสียกรู้เขานะ มันเป็นทิพหรอือไม่เป็นทิพก็ไม่รู้ละตอนนั้นจิตใจมันต้องการอย่างเดียวคือร่างกายเป็นสุขคือว่ากำลังใจเป็นสุขร่างกายมันจะพังไม่พังจะเสียวจะจะปวดกอดฉ่างหัวมันสนใจอยู่อย่างเดียวคืออนาปานุสติกรรมฐานถ้็นสนใจอยู่อย่างเดียวก็คิดว่าวาระหนึ่งในการตายครั้งที่สาม ตอนนั้นเราจัพัดจับหูปนิพันธ์อาพวกบรรดานิพันศูนย์ทั้งหลายเวลานี้ผู้ที่เขาได้ทิพย์ยกุยานและมโนยิธิเขาบอกว่านิพานไม่ศูนย์ลืมหูลืมตายกันซะ่ไหนะอยากก่าเกาะตำรายขั้นวิดผิดนิพันธนางประมังศูนย์อย่างนิพันธ์ไม่ทำว่างอย่างยิ่ง นิพผานนางประมังสุขขังนิพผานเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าไม่มีจิตรับสัมผัสมันสุขไม่ได้ลืมตายกันซะมังอย่าหลับเกินไปฝึกฝนอย่างเขาดูที่วัดอิทิโองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน่ะขั้นสุขขาวิปัสสโกทำไปแล้วไม่เห็นอะไรญาติโยมจําไม่ดีนะถ้าบาังเอิญจะไปเจอเอาพระโ ห, ย, หยเข้า พระวรนดาพระหอย่วยเนี่ยไม่ศึกษาอะไรให้รอบขอบอาตมาเองก็ไม่รอบเหมือนกันนะไม่แค่รอบทั้งหมดแต่หลักใหญ่พอรู้นั่นคือหลักสูตรในพระพุทธศาสนามีสี่อย่างคือหนึ่งสุขวิปัสสโกมีสมาธิมีวิปัสสนามีศีลบริสุทธิ์ไม่เห็นผีไม่เห็นธเรวดาไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ ตั้งแต่เตวิโชชละินโยวัดิสัมพิทัปตโตพวกนี้ก็เห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นชาติต่างๆะระลึกชาติได้รู้กันหมดฉะนั้นพระแบบเพศที่บอกอะไราไม่มีไม่เห็นพวกนั้นไม่ใช่สุขวิปัสสโกหมายความว่าบวชเข้ามาแล้วไม่ได้ถึกศึกษาในศีลสมาธิปัญญาเลย สำหรับสุขวิปัสสโกนั่นถ้ามีศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนท่านไม่เห็นแต่ว่าท่านไม่ค้านคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านเชื่อ ว, ว่ามีจริงแต่ท่านไม่เห็นโพเทวิโชเชะละพิญโยปฏิสัมพิพรตะตโตนี่เขาเห็นด้วยเขาไปได้ด้วยเขาไปถึงจุดหมายปลายทาง น, นั้นได้เลยเขาต้องการไปที่ไหนเขาก็ไปได้ นี่ยานี้มีอยู่นะขอบรรดาพระทั้งหลายจงมีความรู้สึกใจว่าเวลานี้เราไม่ทันชาวบ้านเขาแล้วถ้าเรายังมัวประมาทในพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จต ร, ระทีแก้วถือนิมิตคือผ้ากาสาวัพัฒว่าเป็นธงชัยเครื่องหากินก็ น, น่าไขาน้าชาวบ้านเขาควรจะพิดตัวให้มันได้มีหลายท่านนะ มีหลายท่านนะหลายท่านที่มีตําแหน่งหน้าที่แต่ว่าไม่ได้สนใจในศีลสมาธิปัญญาวางท่านที่พระบาทสมเด็จเจ้าอหัวอาราธนาเข้าไปแล้วเวลาสวดมนต์จบพระเทศจบพระบาทสมเด็จเจ้อหัวขอรนาให้ทําสมาธิเพียงชงั่วโมงมีหลายท่านที่ทําไม่เป็น และก็ออกมาพูดว่าพระเจ้อยู่หัวท่านอย่างนั้นไม่เป็นเรื่องไม่เข้าท่าเลยนี่พระเจ้อยู่หัวนั้นท่านเป็นครวัตมีภารากิจหนักท่านทําได้แต่พระที่จัดว่าเป็นปูชนียบุคคลทําไม่ได้ก็สแสดงว่าท่านพูดนั้นเป็นอุปสมะชีวิกาบวชเข้ามาสายศาสนากินเฉยๆเป็นกากากทาลายตน อแล้วก็คุยกันไปในเมื่อขณะที่หลับตาลงไปใหม่หลับตานะ่ยทำให้ใจสบายใครก็จะร้องไห้ใครก็รจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวอะมันไม่เกี่ยวเกี่ยวยังไงมันจะตายจิตใจคําว่าห่วงนิดเดียวไม่มีห่วงกายก็ไม่ห่วงห่วงทรัพย์สินก็ไม่ห่วงห่วงคนไหนก็ไม่ห่วงไม่เจ้าห่วงก็ยังไงมันจะตายอยู่แล้ว ถ้ายังห่วงอยู่มันก็บ้ามากเกินไปเอาแค่บ้าหวัดนี้กลัวจะตายก็พอแล้วเป็นไงว่าบ้าอยู่คนเดียวเวลานี้ก็นั่งบ้าคนเดียวไม่ชาติกำนังสือพิมพ์หนันพิธิยุคก็อาจจะโจมตีแม่ก็ได้คนไหนโจมตีคนนั้นเร็วญาติโยมจำไม่นะ ถ้าเราพูดไปอย่างนี้ถ้าพระองค์ไหนจะเถือนคารวาตองคไหนจะเถือนคนนั้นนั่นแหละเป็นคนเลวที่สุดเพราะว่าเขาพูดว่าคนเลวเนี่ยเขาไม่ได้ว่าคนดีคนดีก็ต้องอยู่เฉยๆมีคติดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าที่ถูกพราหมสี่คนเลียงหน้าเข้าไปด่าต่อหน้าทาลกำนันตอนหน้าพระพุทธพุทธบริษัตแต่องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดีโสภากับยิ้ม พพรามด่าจบเขาบอกพ่อพระสมณะโคดมแก่แพ้ข้แล้วแล้วพระเจ้าถามว่าแพ้อย่างไงเขาบอกข้าด่าแกแกไม่สู้ข้าเนี่ยแคไม่ด่าตอบแล้วพระเดจจาวจึงได้ทรงจัดว่าตถาคตมีความรู้สึกว่าคนใดโกรธตถาคตหรือว่าดาา่าตถาคตตาตถาคตโกรธตอบและด่าตอบเขาตถาคตคิดว่าตถาคตเลวกว่าคนนั้นเห็นไหม นี่ถ้าคนดีเนี่ยเขาไม่โกรธเพราขาไม่ได้ว่าคุณดีเขาว่าคนเลวแต่คนไห น, สนแสดงตัวออกมาแล้วก็ญาติโยมจำมาเถอะว่าไอ้ก๊กนั้นน่ะเลวทั้งกกแต่้ก๊กไหนมันโผล่มามันนินทาว่าอะไรว่าไอ้พูดนี่พูดไม่ดีพูดไม่ถูกไม่ต้องไม่เป็นไปตามตรรนองของมธรรมพูดตามแล้วทำมารีในมันไม่ดีแล้วพูดแบบไหนมันจะดี ที่พูดอย่างนี้ได้ขุดก็ได้ถักให้สิ่งสกปรกที่มันเกาะอยู่ที่หัวใจเนะี่ยมันออกไปสักบ้างว่าเวลานี้เขาไหว้เขาทาได้อายเขาบ้างไหมไปรับบาดรับการไหว้รับการบูชาจากเขานะี่ยจะเรามันเร็วกว่าเขามันทูกข์เขาไม่ได้ให้มีหีริโลอตปะมียางอายกันสักบ้างสิมันน่าสนดใจไหม เนี่ยที่พูดนี่ไม่ได้พูดเพื่อทำลายพูดเพื่อให้ทําความดีชาวบ้านเขาไหวเราเวลานี้เราทําไม่ได้ควรจะไปไหวเขาแล้วควรจะไปใส่บาตรให้เขาไม่ใช่ไปรับบาตรมาจากเขาเอาเข้ามาหอมไว้ทําไมพ่อเหลี่ยมมันเป็นโทนชัยของพระอละหันแม้แต่ศีลสมาธิธรรมดาปัจจุบันยุคปัจปจุบันไม่ต้องถึงลรหรันไม่ต้องถึงบัสดา เพียงแค่ชันโลกีแค่ตูดหมาเท่านี้ทำไมได้แล้วก็บวชอยู่ทำไมให้มันหนักกว่ศาสนาเด็กเขาก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้คนเด็กนักเรียนข้าอนุบายก็ทำได้คนที่มีความรู้ขั้นด็อกเตอร์เขาก็ทาได้คนชั้นเล็กข้าราการฉั้นเล็กทำได้ทำไปใหญ่ถึงคนเอกก็ทาได้ เขาทำกันได้จนเดิก็ตทังเป็นครูบาอาจารย์ทาไมล่ะพระพระไปหมกอยู่ที่ไหนทาไมจึงไม่มีความรู้แบบนี้บางท่านก็บอกว่านั่นมันเป็นโอปาทานบ้างเป็นโอพาสบ้างไม่น่าจะสแสดงความโง่ออกมาความจริงนิ่งเฉยเขาก็ยังจะไม่รู้ว่าตัวโง่โอพาดนะ่มันแปลว่าอะไร แสงสว่างมันไปอารมณ์เขาสมถะภาวนาถ้าใช้ไปมิปัศสสนาภาวนาถือว่าเป็นอุปกิเล์แต่มันก็เป็นความดีเป็นกําลังของฌานถ้าเขามีโอภาษได้เขาก็ดีกว่าท่านที่ไม่รู้จักภาษาอะไรเลยพูดออกมันได้ทางสถานีวิทยุหน้าขายขี้หน้าเขาขายขี้หน่ายชาวบ่านเขาจะหาว่าพระดีผมพระเหลืองนั่นเลวแบบนี้ทุกองหรือ บางท่านก็บอกว่าผีไม่มีเทวดาไม่มีทำไมไม่ลืมตาดูพระไตรปิฎกสิบบ้างหรือว่าพระไตรปิฎกใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าเทศใช้อะไรไม่ได้ความรู้พระพเจ้าไม่มีความหมายก็ น, นั่นก็หมายความว่าพวกเราก็เป็นเดรัจฉีสิที่ไม่เขารพในพระพุทธเจ้าก็เป็นเดรัจฉีไปเอาจะพูดยังไงหัวเข้าไปอีกแล้ว เอาละใครที่อ่านหนังสือหลวงพ่อปนอานฟังเมื่อก่อนบอกโอยนิตด่ากันมากเกินไปคอยคนมาห้ามก็มาห้ามซะอเองทีนะว่างๆแล้ววัดมีอยู่แล้วเชิญมาห้ามเองจะได้สวดต่อหน้าประชาชนให้บรรดาประชาชนเข้าฟังไม่คนที่มาพูด่มันเลวไอ้ปัญญาแค่หางอึ่งที่ชาวบ้านเขาทำกันได้ตัวทำไม่ได้นะทำไมย้ำต้นเดือดร้อน อย่าลืมนะแต่คนดีไม่เดือดร้อนคนเลวเดือดร้อนถ้าใครมาพูดกระทบกระทั่งแบบนี้สัญลักว่าคนนั้นเป็นคนเลวไม่เคารพในศีลไม่เคารพในสมาธิไม่เคารพในปัญญาพระที่บวชก็มาแล้วก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาต้องทําทันทีนาวินาทีแรก การเข้าไปบวชห า, าย์าจก็สอนตระจะปัญจกะกรรมฐ า, านกรรมฐ า, านห้าอยู่แล้วให้รับศีลให้สมาทานแล้วก็สอนกรรมฐ า, านตั้งแต่อยู่ในโบสถ์ยังไม่ทันจะโบสถเสร็จแล้วพอโบสถ์มาแล้วมาใช้กรรมฐาหรือเปล่าถ้าใช้กันอารัชีมันก็ไม่มีที่อารัชีมันมีดื่นดาดแบบนี้ก็เพราะไม่ได้ใช้กัน ดีไม่ดีอุปชานัแ น, น่ๆก็ลืมใช้มันกันแหละ ไ, <c oughs> ได้แต่สอนเขาได้ตัวทําไม่ได้มันมีเยอะเขาเรียคอุปชาเป็ดอุปชาไก่ใครเรียกใครัชอุปชาเต่าใครแล้วก็กรบสอนเขาสอนได้ถ้าตัวเองไม่ทําเป็นอันว่าคุยกันต่อไปว่าวันนั้นเวลาใกล้จะหกโมงย็น ตัดสินใจว่าเออร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างเรื่องทรัพย์สินของเรามันไม่มีอยู่แล้วเพราะเงินทองของใช้ที่จะบันเ้าถวายเข า, ม, ามันเป็นของสงสำหรับคนอื่นใดที่จะมีความห่วงใยมันก็ไม่มีไม่มีเพราะเพาะร่างกายของเราก็จะตายฉะนั้นถ้าว่าถ้าเราจะตายคราวนี้ สัญญาเดิมก็มีอยู่ว่าการตายครัง้งที่สามเคยไปถึงนิพพานแต่ว่าตอนนั้นองค์สมเด็จพระจิตตมานท่านบอกว่าเธอยังมีมิปัจฉนาญาณอ่อนกลับไปก่อนจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อ่านหนังสือตอนไทยก็จะรู้จะก็จะรู้ตายครั้งดี่สามมาตอนนี้ไปยังไง ขึ้นไปเห็นอภร อ, อกจะกายไปได้นหน่อยแม้ตัวมันก็สวยแะแม่ดูดูก็คิดว่ามันน่าจะเป็นพระเอกดีเกอแต่ความจริงสวยกอดิเกะคอยขนหนังทั้งเยอะร่างกายเป็นแก้วสวยรามแพรวพราาเป็นแป็กายเครื่องประดับก็แทนที่มีสีอะไรก็เป็นขาวใสเปลืกายแพรวพร้ามีแสงสว่าง ร่างกายมันก็เบาสมสัด ส, สมส่วนไม่มีความหนักแม้แต่นิดเดียวถ้าไปอยู่ในกลุ่มเทวันดาหรือพรมโดยพระก็รู้สึกว่าไม่น้อยหน้าใครกำลังใจก็สดชืน่นคุยกับท่านผู้นั้นแบบสบายๆมองดูเวลามองดูเขามองดูไม่ได้มองนาฬิกามันนึกมีความรู้สึกว่าเวลานี้ใกล้หกโมงเย็น เวลาที่เราจะไปจากที่นี่ก็เป็นเวลาหกโมงยินและก็วันนี้เป็นวันครบสิบสองปีที่ให้สัญญากันไว้กับพระเพราะว่ามาปีพศ ส, สองพันห้าร้อยสามมีภารกิจอันหนึ่งที่จะต้องทาภารกาิจ น, นั้นมันมีการต่อรองกันระหว่างพระกับอาตมาท่านบอกว่า ถ้าจะทำอย่างนี้ก็ได้ละอย่างน้นมาทำอย่างนี้แต่ว่าถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วก็จะต้องมีสัญญาว่าภายใน12ปีนี้ห้ามตายในช่วง12ปีนี้จะเป็นกิจนี้ใดก็ตามจะตายไม่ได้เลยขาดจะต้องทำทางานใช้หนี้เขาเรียกันว่านักเรียนทุน รือเป็นการทำงานคำนวณการทํางานใช้นี้ท่านใช่นี้อะไรก็ไม่ต้องรู้ <c oughs> ถ้าหากว่าไปบอกเข้าเดี๋ยวอรชีเต้นอีกเต้นผางอีกเวลานี้มีลูกคู่เขาเยอะอรชีมีทั้งพระมีทั้งกระว اة เวลานี้นโยาบายการทําลายพุทธศาสนามีหลายแบบตามแบบฉบับมีเยอะเข้ามาเป็นนักบุญกันบางทีก็ทําเป็นพระเคร่งครัดมัธยัต ให้พวกนี้เข้ามาทำลายทั้งนั้นและความเลวแย่มาทีละน้อยดันน้อยอาจจะไปเอาเขาอีกแล้วเป็นอันว่ามีการ ม, มีกฎมีเกณฑ์ไวว่าภายในติดสองปีตายไม่ได้อาตมาก็มันคิดในใจว่าถ้าร่างกายมันจะตายเที่ายาในหนึ่งใครจะห้ามถ้าตายเมื่อไรเราก็สบายเหมือนนั้น ทั้งนี้เพระาะไรวัดแดนที่เราต้องการเราพบแล้วหลังจากไปมาแล้วเราก็ไปของเราเรื่อยๆทุกวันวางนิดแล้วก็จิตไปตั้งไ้ตรงนั้นมันก็มีความสุขมีแต่วความมั่นสชื่นบานรื่นเรองมีความสุขกายสบายใจเป็นสิ่งจุดสุดยอดที่เราต้องการกันในพระพุทธศาสนา ในเมื่อเราไปของเราได้แล้วมันจะร่างกายมันจะพังก็เชิญพังแล้วไม่สนใจมันป่วยไขย้ไม่สมบายก็กินยามันไปอะไรไปก็คิดว่าเอา่อมัหายมันก็ตายถ้าวันไหนไปห่วงมันเข้าวันนั้นร่างกายมีทุกขเวทนามากถ้าตอนไหนไม่ห่วงมันสบายก็เลยไม่ห่วงมันเลยกินก็กินชีกก็ชีดตามเรื่อง หมอมาก็มาไม่มากกว่าแล้วไปอ่าแต่ว่าคิดว่ามันยังไม่ตายมันทรมายุเขาตงระหับทุกเวทนาเป็นอันว่าทีว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาแต่ท่านผู้ให้สัญญาต้องเป็นผู้ถือสัญญาเราเป็นคนถูกทําสัญญาเราก็ไม่สนใจในสัญญาท่านว่ายัางไงั้นก็วาดไปสิ ถามว่าท่านเก่งจริงท่าก็ต้องไม่ให้ขันห้ามันพังในช่วงสิบสองปีแต่ก็เราก็คิดว่ามันอยู่เราก็ทำประโยชน์มันพังแล้วก็ไปอย่างได้ประโยชน์ของเราถ้าเราอยู่มันยังอยู่แล้วก็ทำงานเป็นสาธารณประโยชน์ด้วยทำประโยชน์ของตนด้วยคือทำใจสบายก็เรียกว่างานหลวงไม่ขายการราดไม่เสีย นี่ราประวัติกันมาว่าทำไมเขียนสีเรื่องขอหกปันในที่สุดท่านเาก็าถึงเวลามาคิดว่าเวลานี้ใกล้จะหกโมงแล้วมันถึงเวลาจะไปกันทีก็เกาเข้าไปกราบถามพระว่ า, า, าไปได้แล้วหรือยังท่านถามว่าไปไห น, น ก, เกเเ็เลยกราบเรียนให้บอกว่าตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยสาม มาถึงพี2 5 1 5อันนี้ครบ12ปีพอดีท่านถามว่าครบแล้วเลยก็กราบเรียนถ้าว่าครบแล้วถาว้าบอกครบก็ครบไปสิแต่ยังไปไม่ได้ถามว่าทำไมจึงไปไม่ได้ท่านก็เลยบอกว่าคนของคุณอยู่เป็นแสนคน มันยังเขา้ายังมาไม่รวมกันเขาแคช่วยตัวเองไม่ได้แต่คุณยังมีพันธะเราเขาต้องสง่งเคราะเขาเขาช่วยตัวเองได้หนึ่งแล้วก็บรายการนี้สองคนขขาโยมคุณก็ยังมีมากแล้วคุณก็ยังไม่สามารถจะเรียกเข้ามาส่งเคราะห์เขาช่วยตัวเองได้คุณไปไม่ได้ก็เลยกราบเรียนท่านไปบอกว่าเวลาสิบสองปีที่เขาไม่มา มันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของข้าพระพุทธเจา้าเมื่อเขาไม่มามันก็เป็นเรื่องของเขาจะไปเก่งเขาได้ยังไงแล้วเขาอยู่ที่ไหนละ่ะจะแวะมาได้ยังไงแล้อิบรการหนึ่งใช้ช่วงเวลาระยะเวลาสองปีเศษวันนี้เดินก็ส่วนจะล้มร่างกายก็ไม่ดีมันก็ไอเจียรทุกวัน กินอะไรเข้าไปมันก็ไอเจียนดูหมือนว่าอาหารที่กินเข้าไปทั้งหมดจะไม่มีประโยชน์กับร่างกายเลยได้ก็เครื่องดื่มเล็กๆ น, น้อยๆเป็นเครื่องบำรุงกําลังมันก็ไม่มีอะไรนักจะมีนมชงบ้างมีอวันตินบ้างอะไรพวกนี้นิดห น, น, น่อยๆก็ได้ยาที่เป็นวิตามินกินเข้าไปเท่านั้นที่มันไม่สามารถจะ อ, ออกมาได้แต่ถ้าว่าวันไหนได้กินข้าวอิ่มเกินไปก็ไอเจียน ไอเจียนมากกินน้อยก็ไอเจียนกินมากก็่อเจียนบางทีกินน้ําก็ไอเจียนแล้วก็สองปีเสรมาแบบนี้ทํากิจภาระในกิจพุทธศาสนาต้องทำได้ความอดทนและกระบางการณีต้องทนอดใจเอาจริงๆไม่ยั้งกายมันไปไม่ไหวแล้วก็ย้อยู่ต่อไปมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับในเมื่อร่างกายมันจะพัง ไอ้ทุกขเวทนามันมากอย่างนี้เรื่องทุกขเวทนานะไม่สําคัญสําคัญอย่างเดียว่าร่างกายมันไม่มีกําลังไอ้นี่มันจะทํากันไหวรึแ้วก็บอกว่าถ้าเธอตัดสินใจอยู่นับตั้งแต่วันรุ่งนี้เป็นต้นไปร่างกายของเธอก็จะดีขึ้นตามลําดับแต่ถ้าท่ถ า, าถามว่าแล้วเธอมีความรู้สึกว่ายังไง ควรจะตอบท่านว่ายังไงดีบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายว่าควรจะตอบว่าอยู่ดีหรือว่าควรจะตอบว่าไปดีในเรื่องการจะตอบว่าอยู่แล้วตอบว่าไปเอาไว้ฟังในงดหน้าเขาแล้วกันทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นเวลาดูเวลามันหมดพอดีสําหรับวันนี้ก็ต้องขออุทธเพลงเท่านี้ก่อนขอบรรดาสาวกคุโองสมเด็จพระจินวรพระสันดับ ในโปรดทุกท่าน้องให้อภัยกันตมาถ้ามาเอออะไรรุนแรงไปบ้างและขอทุกท่านจะมีแต่ความสุขสขวัสิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ลและจงจะเจริญไปด้วยเจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันณะสุขะพร ะ, ละและปฏิภาณ์หาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี